15. ถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติวงเล็บเปิดหตุลาคม2550ันาในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาที10บวงเล็บปิดเรียนธรรมะอะไรก็ได้สภาวะอะไรเกิดขึ้นรู้ลูกเดียวร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกจิตหนีไปคิดรู้สึกจิตหนีไปรู้สึกนี่หลวงพ่อเทียนบอกได้ต้นทางของการปฏิบัติถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติ ทำไมได้ต้นทางเพราะจิตจะตื่นขึ้นมาทันทีที่รู้ว่าจิตนี้ไปคิดนั่นคือจิตมันฝันไปนั่นเองไปอยู่ในโลกของสมมุติบัญญตัติเมื่อจิตนี้ไปอยู่ในโลกของสมมติบัญญตัติจิตไม่สามารถที่จะรู้กายรู้ใจที่เป็นอารมณ์ป aramat ได้ถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่หนีไปคิดจิตก็จะหลุดออกจากความคิดในฉับพลันนั้นเลยเพราะสติมันเกิดไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะรู้ว่าจิตคิด รู้เรื่องที่คิดนี่ไม่น่าอัศจรรย์หมามันคิดมันก็รู้เรื่องที่คิดไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์แต่ถ้าจิตเราแอบไปคิดเรารู้ว่าจิตนี้ไปคิดสติตัวจริงๆจะเกิดใจจะเกิดสัมมาสมาธิตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติในฉับพลันนั้นเลยแล้วเราจะเห็นเลยจิตที่ขยับไปคิดตะกี้นี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปแล้วจิตที่รู้ตัวอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับ หรือพอเรารู้สึกตัวสติระลึกรู้ร่างกายร่างกายเกิดขยับสติระลึกขึ้นได้เองโดยไม่ได้จงใจระลึกจะเห็นทันทีว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราฉะนั้นเรียนกับหลวงพ่ออดทนจนกระทั่งสติตัวจริงเกิดสติแท้แท้เรียกว่าสัมมาสติเกิดขึ้นมาเราจะเกิดปัญญาทันทีเลยว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวยอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราจิตใจที่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลเป็นอกุศลอยู่นี่ก็ไม่ใช่ตัวเรา เป็นแต่บางสิ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นเลยพอเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดปัญญารวบยอดขึ้นมารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วดับทั้งสิ้นเลยปัญญารวบยอดนี้เป็นปัญญาในระดับของพระโสดาบันเบื้องต้นเรายังไม่เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปเบื้องต้นเราจะเห็นว่าความเผลอเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ความโลภความโกรธความหลงเกิดแล้วดับความฟุ้งซ่านความหดหูเกิดแล้วดั บ, ส, ดดบสุขทุกข์ดีชั่วอะไรทั้งหลายเกิดแล้วดับความว่างว่างเกิดแล้วก็ดับความวุ่นวายเกิดแล้วก็ดับเห็นแต่ละวันแต่ละวั น, วนเกิดดับเกิดดับเกิดดับซ้ําแล้วซ้ําอีกถึงจุดหนึ่งปัญญามันแจ่มแจ้งว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับตอนนี้มองได้ทุกอย่างเลยเวลาเรียนเราไม่ต้องเรียนตลอดโลกธาตุ ไม่ใช่ต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในไตรโลกธาตุนี้รู้อยู่แต่ในกายในใจนี้เห็นแต่ว่าอะไรเกิดแล้วก็ดับไปเรื่อยๆแต่ละอันแต่ละอันถึงจุดหนึ่งจิตมันมีปัญญามันสรุปรวบยอดของมันเองเลยว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปตัวเราที่แท้จริงไม่มีกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราในกายในใจนี้ไม่มีตัวเรานอกเหนือจากกายจากใจนี้